นั่นะมันเหลืออยู่แค่นั้นคนทั้งคนเหลือที่เราเห็นจะก่อนนั่งหน่อยก็ไม่ได้เก็บแขงเก็บขาเดินหนุนก็เจ็บหลังทํางานหน่อยก็เก็บนูน่นเก็บนี่แต่พอวิญญาณออกไปแล้วแบบ น, นี้เอาใสาไ่ไฟแล้วมันวิ่งองนี้ เป็นธรรมชาติเหมือนกับถอนไม้ถอนฟืนนี่และทีว่าธาตุดินก็กลับไปสู่ดินน้ำก็กลับไปสู่น้ำลมก็กลับไปสู่ลมไฟก็กลับไปสู่ไฟจะเหมือนกันทุกคนหนึ่งจะวิธีการจะตายแบบไหนจะตาย ตายสถานที่ตายจะตายที่ไหนก็ได้ตายในอากาศตายในบ้านในเมืองตายตึกบนตึกรั้วบ้านช่องก็ตายได้ทุกคนทุกแห่งตายได้หมดแต่จิตใจที่มีเจตนาเป็นกุศลมันจะสิ้นสุด นั้นในครั้งพุทธกาลท่านจึงว่าพระเดินยมกมอยู่บรินีพานในระหว่างที่เดินยมกม์หรือในระหว่างที่นั่งสมาธิอยู่หรือนอนอยู่บรินิพานในท่านอนพระเมืองการเหล่านี่มีตายในท่านั่งมีอยู่สององค์ จันสเสถียรตายในท่านั่งจันยุทธยุทธที่ผาลาดลจันยุทธที่ผาลาดนั้นสมเดาจท่านจะอดข้าวคข้าพรนสาปี2522ที่เดือนเราจะมาจำสายอยู่ที่นี่ ปกติก็ออกไปก็ไปเจอกันเรื่อยอยู่อยู่ที่วัดโคกพลางจันยุกจันบุญเลือเชี่ยวอยู่ในป่าเหมือนการด้วยกันพอเข้าพรรษาก็จนไปเจอกันที่วัดโคกพลางาาลก็จันมัณฑาทิพาละจันบุญลือตอนนั้นยังอยู่ที่ทําทานรอด ที่ท่านทันยะอยู่ทุกวันพอไม่ได้ไปงานศพท่านก็นไม่ได้ลงไปพคสมัยก่อนสองพันรยี่ิบสองน่เดินทางมันยังต้องขี่เรือขี่รถขี่รถสามต่อกวจะไปถึงเมืองกาน ลงเรือจากพรรมภูมิแล้วก็ไปขึ้นที่น้ำตกสซโยกใหญ่แล้วก็ต่อเข้าไปเมืองการจดี๋ย้วถึงจะไปหารถมาที่ภาลาดใจอีกภาลาดก็ทางรถไม่มีต้องทางเดินสมัยก่อนยังไม่มีทางรถ มารู้ข่าวว่าท่านมนณะภาพแล้วเผาสดไปแล้วตั้งแต่ตนบอกคนสาเนี่ยลุลงไปถึงได้ไปฟังค่ะลุนได้รู้ข่าวลวพ่อสมวนนอหวัน้องได้ฟังธรรมดาท่านจะอดข้าวเดือนหนึ่งอยู่ที่ปรารากันมานาะนหลายปีจันยุทมงคนเพชรบุรี ก็พรรษาปุ๊บดีท่าโอดข้าวเลยเช้าหลังวันนี้ได้เก้าวันได้เก้าวันยังวันตอมข้างล่างน้ำเหลืองมันไหลลงไปข้างล่างเขาก็เลยสงสัยก็เลยไปงัดประตูดูโอ้ยทนหลับไปขป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนอืดละ คืน้ำเหลืองหยดล่ะ ว, วันเนึ่ที่จมต่ายอยู่ด้วยกันส่วนอาจารย์เสถียรนี่หลังจากเดินทักชินาวัดรอบสลาสามรอบจนกลางเที่ยงคืนพอกลับขึ้นมาก็มานั่ง มาไหว้พระสามคั้งเสร็จแล้วก็ฉันน้ำพะฉันน้ำเสร็จก็ถามเขาว่ากี่โมงเขาบอกว่าเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนป๊อกไปเฉยอยู่ในท่านั่งอยู่ในท่านั่ง น, นี่ก็มีหนุ่มกูเสา หลวงปู่สาหนี้กาบพระในโบสถลวนนี้พานในโบสถ์โบสอามาประกาบพระครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองตงเน่ยขึ้นปกาบลงครั้งที่สามก็เงียบไปเฉยๆอมไม่เห็ น, น, นขั้นเงยขึ้นหลวงปู่เกียรติถึงว่าอ้า ไม่ใช่หลวงปู่ปรินิาพานแล้วท่านไม่หายใจแล้วหลงปู่มันอยู่ในท่าสีหกสายญาข้างขวาถึงปู่ฟันก็อยู่ในท่าสีหกสายญา พอท่านหมดลมแล้วถึงถึงเอามานอนหงายหมอถึงมาปั๊หัวใจการตายใช่จันวันจันสิงทองจันจวนทุกปุบุญมาเครื่องบินเครื่องบินระเบิดกลางอากาศ เรื่องความเป็นความตายนี่จะตายที่ไหนก็คือตายก็คือทัดแต่ทัตแบบธรรมดาแต่กิจที่ได้บรมสั่งสอนจากสินจากสมาธิจากปัญญาถ้าเราได้บรมสั่งสอนตัวของเราอย่างดีสักฟาะตัวของเราอย่างดีมันก็เป็นกิจที่สะอาดที่บริสุทธิ์ หลังจากที่มันสะอาดได้แล้วมันก็ต้องบริสุทธิ์ได้มันสะอาดแต่มันยังเปืเ้อนด้วยฝุ่นด้วยทุลีอยู่จนกว่าจิตนั้นจะถูกซักฟอกด้วยศีลสมาธิปัญญาจนกลายเป็นศีลจิตใจจิตที่บริสุทธิ์มันก็ไม่มีสิง่งงวหมองมันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ในส่วนเรื่องกลมเป็นกลมตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้แปลกไม่ได้ใหม่ธัตุขันแตกดับนี่ธรรมดาสําหรับผู้ที่ปบรมสั่งสอนตัวเองด้วยการเดินโยมกลมด้วยการนั่งสมาธิด้วยการภาวนาพิจารณาสังขารร่างกาย จดเห็นตามความเป็นจริงตามกรรมฐานที่เราศึกษาว่าเราเรียนกรรมฐานเรียนผมเรียนขนเรียนเล็บเรียนฟันเรืองหนังมันดูให้เห็นตามความเป็นจริงของมันถ้าหากเราดูเห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วมันจิตมันตัดถอนออกจากอุปท า, าน ในความยึดมั่นถือมั่นในกายเห็นกายตามสภาพควมเป็นจริงถ้าหากเราเห็นกายตามสภาพของค ว, ม, ควมเป็นจริงมันก็ทำลายตัวสังโยชน์คือตัวสกายะทิชิวิธิกิจฉาสีรพตปรมาตพอเราเห็นกายตามควมเป็นจริง กายนี้ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟกายนี้ประกอบไปด้วยอาการต่างๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเกินเนื้อเอ็นกระดูกแต่รวมลงมาก็คือธาตุอันหนึ่งส่วนไม้ภูเขาเรากอป่าด ง, งคงทึกก็คือเป็นธาตุอันหนึ่งเหมือนกันก็เป็นธาตุดินเหมือนกันแต่เรามาหลง ว่าเป็นเราเป็นของของเราถ้าหากเราไม่หลงบันเราใช้สมมุตินี่ตามสมควรตามอายุขัยของสมมติเราก็ใช้มันไปตามสมมุตินั้นมีเหตุการณ์งานบ้านงานเมืองมีเหตุการณ์อะไรเราก็ใช้ไปตามสมควรอยู่ในภาวะหน้าที่การงานของเราที่จะต้องทำ งานราชการบา ง, งานบ้านงานเมืองงานต่างๆในหน้าที่พลเมืองศีลธรรมาหากเรารู้จักการใช้สมมุติให้เหมาะสมกับตัวเองจะไม่เป็นปัญหากับการทําสมาธิภาวนาที่มันเป็นปัญหากับการทําสมาธิภาวนาอยู่เนื่องจากว่าในระหว่างที่เราฝึกหัดอบรมตัวเองในเบื้องต้น มันต้องอาศัยกําลังอาศัยความภาคคมเพียนพอสมควรจิตมันถึงจะเป็นไปก็เหมือนกันกันเกบเจดูุนิมิตของผู่เจ้าที่เสด็จพระบาทสวนอาจอุทยาน ในเจตุนิมิตนั้นจะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะนักบวชท่านถามนายชนะท่านไม่รู้จักเลยคําว่าคนแก่เป็นยังไงคนเจ็บเป็นยังไงคนตายเป็นยังไงไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่รับรู้ภาวะเตียงสามาถูกเตียงดูปูเสือ่อย่างดี มีพระราชสวังให้มีพระบรมหาราชวังให้มีปราสาทสามหลังครบสามฤ ด, ดูแต่ไม่เคยเสด็จออกนอกปราสาทไม่เคยเสด็จออกนอกเมืองนอกพระราชวังตัวเองพระราชบิดาทําให้อย่างดีเพราะว่าพระราชบิดาต้องมีคติเตือนใจตัวเองอยูตลอดเวลาว่าพระสิทฐธรรม ในวันขนานนามเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพามแปดคนพามร้อยแปดคัดมาเหลือรอแปดคนในจำนวนแปดคนนี้มีหนึ่งคนที่ทำนายพุทธลักษณะแล้วว่าพระจิตถ่ า, ธธาจะได้เสด็จออก บ, บวชเป็นผู้เจ้าเท่านั้น แต่พามีเกตคนบอกว่าถ้าหากอยู่คาลองคารว่าจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าออกบวดแล้วถึงจะได้เป็นผูจาัาแต่ป่านี้มันมีข้อสงสัยขึ้นมาว่าอีกคนหนึ่งได้ศึกษาตำราที่เทวดาเอามาให้ได้ศึกษาตั้งแต่พมโลกตำราเล่มนี้ตำราพุทธลักษณะ แปดสิบประการของผู้เจ้าในศึกษาแล้วแน่ใจว่าพระสิทธัตถันจะต้องเป็นผู้เจ้าเท่านั้นแต่ภาพอิเกตคนไม่ได้ศึกษาตำราเร่มนี้ฉะนั้นจึงแน่ใจว่าพระสิทธัตถันนี้จะได้เป็นผู้เจ้าเท่านั้นฉะนั้นพระราชบิดาอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นก็จะต้องผูกใจของพระสิทธัตถันให้อยู่กับลูกเสียงกลิ่นรส สร้างปราสาทขึ้นมาสร้างพระราชวังขึ้นมาสำหรับที่จะให้พระจิตถ่านี้อยู่อย่งมีความสุขความสบายหาคุูบาอาจารย์ที่สอนศาสตร์ต่างๆในสิบแปศาสตร์ที่สอนกันในยุคนั้นมาอบรมสั่งสอนในพระราชวังของท่านเลยในพระราชวังของท่า น, นไม่ให้มีคนแก่ คนเท่าคนแก่พระรัตพระญาติพระวงทั้งหลายจะเข้าไปเยี่ยมเยียนไม่ได้ไม่ให้พระกุมานี้เห็นเลยประตูพระราชวังนี่จะเปิดต้องได้รับพระราชานุญาตจากพระราชบิดาเจีากษัตจัดคนเข้าไปดูแลอย่างดีฉนันถ้าหากพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าพระ ชิตถะตัคือติดคุกมาตั้งแต่ประสูติอยู่ในพระบุลมหาลัชวังตัวเองคนที่อยู่ในประสาทสามหลังครบสามฤดูนี่มีอยู่สองคนในทางพุทธศาสนามีพระยศัก์คุณบุตรอีกคนนางชุตชดาคนที่ถวายข้าวมุตุพายาดวันที่พระเจ้าเจ็บตัดสุูนี พยศักดคุณลุบุตรมีคนที่มีประสาทสามหลังครบสามฤดูฤดูฝนเข้าไปอยู่ในประสาทอีกหลังหนึ่งไม่รู้สึกว่ามีฝนตกเสียงฟ้าร้องก็ไม่ได้ยินฤดูหนาวเข้าไปอยู่ในประสาทอีกหลังหนึ่งก็ไม่รู้สึกว่ามีฤดูหนาวเป็นยังไงมีอากาศพอดีฤดูร้อนเข้าไปอยู่ในประสาทอีกหลังหนึ่งจะรู้สึกว่าพอดีไม่ร้อน มีอยู่สองคนเท่านั้นที่อยู่ในมีประสาทแบบนี้อยู่วระยกศะส์คุณระบุคนหนึ่งฉนันการอยู่อย่างนั้นพระราชบิดาจะต้องอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมบริบูรณ์ในพระราชวัง มีนางสนมกรมวังดูแลอย่างดีในพระไตพิดรทั้งคัดมากุลสตรีคัดมาจากสองตระกูลตระกูลฝ่ายพระราชบิดาของเมืองกบินลพัดสี่0มื่นคนตระกูลฝ่ายพระราชบิดาคัดมาอีกสี่หมื่นคน เอคนสองตระกูลนี้เข้ามาอยู่รวมกันคอยอนุบาลพระรชัชกุ ม, มารในเป็นคนหนุ่มคนสาวคนนั้นที่เข้ามาอยู่ในพระราชวังพระยาพระวงคนเข้าคนแก่ไปขอพระราชอนุ ญ, ญาตยังเปิดยังขอไม่ได้ที่จะให้เข้าไปสวายบังคมเื้ออะไรต่ออะไรต่างๆ เพราะว่ากลัวพระราชกุมา น, นั้นจะมีจิตฝักไฝ่ไปในการอุปสมบทในการบวชพระราชาปิดามีความคิดแบบนั้นแต่วันนี้พอไปเห็นจตุนิมิตแล้วก็เห็นจตุนิมิตเข้าไปคนแก่คนเก็บคนตายสมนาห น, นักบวช ไม่เคยเห็นเราจะแก่อย่างนี้ไหมเราจะเจ็บอย่างนี้ไหมเราจะตายอย่างนี้ไหมตายคําว่าตายนี่เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิตเพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรกคําว่าตายคนตายเป็นอย่างนี้หรือแล้วก็ไปเห็นสมณะนัก บ, บวช โอ้แสดงว่าที่เกิดที่แก่ที่เก็บที่ตายที่แก่ที่เก็บที่ตายมีที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องมีเหมือนกับมีมืดมีสว่างเป็นเครื่องแย่กันมีหนาวก็มีร้อนเป็นเครื่องแก่กันน่ะได้ความคิดขึ้นมาดึงมากับพระราชวังเลยไม่เสด็จตัวพาดต่อ แล้วก็กำซับนายชนะให้บอกมากันท ก, กะว่าคืนนี้เชี่ยงคืนเราจะพาออกบวชให้บอกมากันท ก, กะว่าเวลานายช น, นะไปล้วก็อยากให้คำลามพอมาตัวนี้เห็นนายชนะเข้าไปปุ๊บนี่มันจะคำลามกล้องพระราชวังก็แสดงว่าพระศิทธะจะเสด็จ เขบอกไว้แล้วมาก็าดีใจว่าเออเจ้านายเราจะได้ออกบดเป็นผู้เจ้าแล้วแต่มีความคิดว่าถ้าประตูเมืองไม่เปิดเราจะทำยังไงเรานี่มีแรงฟอร์ไหมท่าจะแบกมา้านั่นนายชนะกระโดดข้ามกาแพงเมืองคิดได้ว่าฟอร์ที่เราจะกระโดดข้ามกาแพงเมืองได้ กำแพงเมืองพระสิทฐานี่สูงสิบแปดสอบเสาสลาเราวรมสูงมันยี่สิบสี่สอกสิบสองเมตรสิบแปดสอบก็อยู่แนวนี้กำแพงเมืองพระสิทธ์พระราชวังฉะนั้นจะได้ยินเสียงภายนอกไหมกำแพงเมืองสูงขนาดนั้น ไม่ได้ยินเลยเสียงภายนอกกำแพงพูดอย่างหนึ่งก็ะทึงว่าติดคุกดีๆคุกในสมัยนี้ยังไม่ ย, ไมยังมีไม่มีกำแพงสูงขนาดนี้เลยอย่างมากก็ห้าเมตร ฝ่ายนายชนะหรือฝ่ายม้า ก, กันทกะก็คิดกันถ้าหากประตูเมืองไม่เปิดเราจะพาพระยิทัตตะและนายชนะกระโดดข้ามกระแพงเมืองดำหลีขึ้นมาในใจฝ่ายนายชนะก็บอกว่าถ้าหากประตูเมืองไม่เปิดเราจะแบกทั้งม้าและพาณิชย์ทัตตะกระโดดข้ามกระแพงเมืองเพราะนายชนะนี่มีกําลังหนงหนึ่งสร้างสาร มีกำลังกายหนึ่งซ่างสารหรือห้าซางสารพวกนี้คู่บุญบารมีมากันทักะมีกำลังห้าซางสารสามารถที่จะกระโดดข้ามกับแพงเมืองได้ฉันพอตำลิกกันอย่างนั้นแล้วบานีถึงเดือดร้อนถึงข้ออืน เลยลงมาเปิดประตูเมืองให้แล้วก็ปิดไ้อย่างเดิมไม่มีคนรู้จักว่าพระสิทธะหายไปที่ไหนฝ่ายพระอัญญาโกลทัญญะ น, นับตั้งแต่วันที่ทำนายพุทธลักษณะของพระสิทธะแล้วนะไปชักชวนเอาอยากักลูกหลานของพราหมณ์เก็บคนได้มาสี่คน วะปะัปปัติยะมหานามะอัจฉินี่เป็นหลานเป็นลูกของพาม์เจ็ดคนคือชักนำให้ออกบวชส่วนพรามเจ็ดคนนั้นอายุร้อยร้อยร้อยี่สิบกว่าปีขึ้นไปแล้วพอดีตัวเองคงไม่ทันกับเวลาที่จะพระสิทธัตถะจะเสด็จออกบวชจะได้เป็นผู้เจ้า ฉันไม่มีโอกาสก็เลยแนะนำหลานลูกในไปบวชคอยฟังเทศของภูยเจ้าพระัญญาโกลทัญญาใ้แน่ใจถึองออกบวชเลยฉันการใช้คำพูดก่อนหน้านั้นจึงใช้คำว่าอวุโสคือพระอัญญาโกลทัญญาบวชก่อน ได้คำแทนตัวพวกนี้บวชคอยอยู่ยี่สิบเก้าปีฉะนั้นการที่ได้ฝึกหัดอบรมจิตใจดูที่ว่าพระอัญญาโ อ, อัญญาทำไมฟังเทศผู้เจ้ากันเดียวฉันได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทายาน ท่านไม่ได้สำเร็จจะได้ยังไงก็ดูท่านเตรียมตัวมาตั้งยี่สิบเก้าปียี่สิบเก้าปีสามสิบหกปีพระผู้เจ้าออกบวชอีกหปีในตรัสรู้นุตตรรัชสมาสาัมโพธิญาณ ถึงว่าการทักฟอจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราหาอุบายและวิธีการต่างๆที่เราจะมาชักฟอตัวของเราด้วยวิธีการต่างๆตามแนวทางข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาแนวทางของสมรถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน มีปัฒนากรรมฐานกา็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอันหนึ่งสมาธิอบรมปัญญาเราจะเดินแบบไหนก็ได้ตามความถนัดของเราถ้าหากเราจะเดินปัญญาอบรมสมาธิเราก็ยกเอากายเอาเวทนาเอากิจเอาธรรมขึ้นมาเป็นเครื่องพิจารณาโดยที่ไม่ใช้คํากับบริกรรมเพ่งเข้าไปที่กาย สุเพ่งเขาไปที่ตัวเวทนามันได้เห็นชัดเจนกว่าตัวไหนมันเห็นชัดเจนแล้วก็เอาตัวนั้นมาเป็นหลักในการทำความเพียนอันนี้ปัญญาอบรมสมาธิทุบเข้าไปเลยตีเข้าไปเลยเวทนามเกิดมาจากอะไรนั่งนานๆเพื่มเกิดทุกเขเวทนาขึ้นมา เดินนานๆเพื่อเกิดทุกขวเวทนาขึ้นมาเมื่อมัเกิดทุกขวเวทนาขึ้นมาเวทนานี้มีมาแต่ เ, เมื่อเกิดหรือเพิ่งเกิดในขณะที่เราทําควมเพียนเราบี้เขไปบี้เขไปบี้เขไปบี้เขไปที่สุดมันก็ยอมรับได้เวทนาก็สักวัต เ, เวทนาเป็นเวทนาของกายแต่ไม่ใช่เวทนาของจิต จิตที่เป็นผู้รู้นั้นไม่มีเวทนาเพียงแต่รู้เฉยๆกายก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันธรรมก็เหมือนกันสรุปแล้วก็เป็นธรรมทั้งหมดาการเอาปัญญาอบรมสมาธิแต่ถ้าสมาธิอบรมปัญญาแบบนี้ใช้สมถกรรมฐาน ตั้งต้นจากคาบริกรรมชวนะรวบรวมพละกำลังของเราเข้ามาเมื่อเรารวบรวมพละกำลังของเราเข้ามาตั้งเจตนาขึ้นมาเมื่อกิบสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราต้องถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่ปจัจจารสมาธิปัญหาของคนทุกวันนี้คือไม่ได้ตั้งข้อสังเกตตัวเอง บอกภาวนาก็ภ า, าวนาไปไงเขาว่าภาวนาพุทโธกับพุทโธพุทโธเทไปแลเรก็ทิ้งนอนหือเดินพุทโธพุทโธไปสักพักเดียวล้วก็นอนหยุดแต่ไม่ได้เฝ้าสังเกต ด, ดูตัวเองว่ามันจิตมันสงบหรือไม่สงบในขณะที่เราทําเรามีนาฬิกาชีวิตไหมเราได้ตั้งนาฬิกาชีวิตของเราขึ้นมาไหมมาเราจะทํำยังไงมันต้องมีการศึกษามีการเล่าเรียนมีการ ตั้งข้อสังเกตใช้ความรู้สึกของเราขึ้นมาเป็นการดําเนินไม่ใช่เห็นเขาว่าทําก็ทํ า, ทาไปอย่างนั้นหลับหุูหลับตาก็ทําไปนั่งหลับหุูหลับตาก็นั่งไปโดยที่ไม่ได้เฝ้าสังเกตดูอาการของจิตมันเป็นยังไงอย่างจิตจับอยู่กับคํำเลกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือมันอยู่กับพุทโธมันหรือมันว่าเฉยๆว่าจะนึกพุทโธ ติดตั้งอยู่กับพุทธโธตั้งมั่นในนานขนาดไห น, แ ล, ออ น, ไ น, นแล้วเราคายพุทธโธออกเป็นไปตามกระบวนการของมันพอเราคายพุทโธออกตัวนคิดจะตั้งมั่นอยู่ได้เป็นคณิกะสมาธิหรือตั้งมั่นในนานขึ้นจนกระทั่ ง, งเกิดอุคหานิมิตหรือปฏิภาคนิมิต เรามีกําลังที่จะพิจารณานี่เย็นเป็นอันิีจังทุกครั้งที่เราไปพิจารณาถ้าไม่มีกําลังเราจะทะลุ ก, กิดลงไปเป็นอัปปนาสมาธิได้ไหมโดยที่คลายความรู้สึกตรงนั้นออกจะเป็นอุกกหานิมิตหรือปฏิภาคานิมิตเราก็คลายออกเลยไม่ไปสนใจกับเรื่องนิมิตนั้นทะลุ ก, กิดลงไปเป็นอัปปนาสมาธิ ตั้งอยู่ในอัปปนาสมาธิหนึ่งชั่วระยะหนึ่งตามที่เราตั้งเกียรตนาไว้พราก่อนที่เราจะทำเราตั้งเจียตนาไว้ก่อนว่าเราอยู่ในอัปปนาสมาธิมันอิ่มตัวมันพอตัวพอสมควรแล้วก็ถอยกลับมาหาอุปจารสมาธิมันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นมามนจะเป็นอุกหานิมิตหรือปฏิภาคานิมิต เมือนเป็นอุก a h a n i m i t เราก็พิจารณาอุก a h a n ิ m i t ก็คือรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาจะปางก้อนเดี๋ยวเราก็พิจารณาลงไปจนเห็นตามความเป็นจริงของมันรูปที่ประกอบไปด้วยอายตนะต่างๆเราก็กระจายรูปนั้นออกไป ในเป็นอนาณาจักรต่างๆหรือ้เห็นเป็นธาตุเหลือแต่ธาตุพรเหลือแต่ธาตุมันจะมายึดในธาตุดินมีอยู่ทั่วไปในโลกนี้น้ํามีอยู่ทั่วไปลมก็มีอยู่ทั่วไปไฟก็มีอยู่ทั่วไปสุดท้ายมาเราก็ไม่ยึดในนี้พอเราเห็นตามความเป็นจริงเย่างนนจิตก็เบาสบาย วางจากการพิจารณานิมิตนั้นกลับเข้าไปสู่ความสงบที่เป็นอัปนาสมาธิอีกเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่จนเกิดความช่ำชองของตัวเองพอเรากำหนดเวลาไหนวะเนี่กำหนดได้ตามที่เราต้องการหรือเราจะมาปฏิภาคนิมิตยกเอาร่างกายนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องพิจารณาร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบไปด้วยอาการต่างๆ แยกออกมาเป็นส่วนๆให้ดูกระจายมันออกไปดูจนเห็นว่ามันเปลือยมันเน่าไปตามสภาพของมันเป็นอสุภะขึ้นมาความไปตั้งว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ที่ไหนบัดไม่มีความที่เรามายึดมั่นถือมั่นในตัวในตในตมันอยู่ที่ไหนมันไม่มี แล้วเราไปสำคัญมันทำไมว่ามันเป็นเราเป็นของกองเราแล้วมันอยู่ในอำนาจของเราไหมเราลองบอกมันดูสิไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันหิวมันอยู่ได้ถึงเวลาหิวมันก็หิวถึงเวลาแก่มันก็แก่ไปตามการตามเวลาของมันแก่เพราะเราอยู่นาน่ง เรวอยู่นานเท่าไหร่ก็เกิดความแก่ขึ้นเกิดความชราทำงานเท่านั้นมากขึนน้นพอไปไปอีกแล้วก็ดูไปเรื่อยเเห็นตามคามเป็นจริงนั้นไปพอเราดูไประยะหนึ่งเราก็ถอยกลับม า, าคาปริกรรมอีกแล้วก็ทะลุกิตลงไปเป็นอั ป, ปนาสมาธิใหม่อีกเดินหน้าคอยลังเดินหน้าคอยลังเดินหน้าคอยลัง ยันไม่ชาวนาก็ทํานาหรือชาวสวนก็ทําสวนปีนี้นาะแปลงนี้ทําแล้วปีหน้าจะไม่ทํามันจะมีแผ่นดินให้ทํำไหมปีหน้าไปทําที่ใหม่ปีหน้าไปทําที่ใหม่ปีหน้าไปทําที่ใหม่นาตรงนี้แล้วทําแล้วไม่ทำแล้วะจะมีข้าวกินมไหมมันจะได้ผลอะไร เราย้ายที่ทํานาทุกปีมันจะขนย้ายอยู่หนะึ่งการทําสมาธิภาวนาก็เหมือนกันเรามีความถนัดในอันไหนเราเข้าใจในอันไหนเราก็ยายามทำตรงนั้นให้มันมากเหมือนกับชาวนาที่เขาทํานาพอถึงฤดูไถก็ไทยถึงฤดูหวานก็หวานถึงขาดก็ขาดทําตามกระบวนการของมันแล้วเขก็ได้ข้าวกินทุกปีเราก็มีข้าวกินกันทุกปีทั้งปี ถึงแม้เราจะซื้อจะหาจะแลกจะเปลี่ยนก็เป็นธรรมดา ค, คนที่ทำนาเขาก็ทำเพื่อแลกเปลี่ยนเอาเงินเอาทองเราหาเงินหาทองเราก็ซื้อเอาเงินนั้นไปแลกเปลี่ยนเอาข้าวมากินไม่ตายอยู่ทุกวันนี้จะเป็นชาวนาโง่งๆปีนี้วันนาแปลงนี้ทาแล้วปิดจะไปหาแปลงใหม่ทา หรือจะไปเอาถน น, นลาดดาเนินมาทํานาหรือจะเอาสนามหลวงมาทํำนามันได้ไหมหรือจะไปหว่านข้าวเสร็จถน น, นลาดดาเนินนี่ว่าดได้ไหมถนนก็คือถน น, นเป็นทางเดินของผู้คนทางสัญจรของผู้คนไปมาเท่านะั้นจะเอาไปทํานาได้ไหยก็เข้าไปหวาน ในถนนเราดำเนินหรือถนนทั่วๆไปก็เหมือนกันชาวนาเขาก็ต้องทําที่นาดูที่นาให้เหมาะสมกับตัวเองพอใจกับตัวเองที่จะทํานะเมื่อพอใจที่จะทําแล้วก็ทําตรงนั้นมันก็มีกินมีใช้มีสอยกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ตายประเทศไม่อดอยากกับพระธนาติชาวนาที่ฉลาดพอไม่ใช่แบบชาวนาที่้งู คนจะมาทําสมาธิภาวนาก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ว่าวัดนูน้นก็ ว, ว่าวัดนี่ไปเหงกันไปไปทําบุญบ้างไปบางคนก็ได้บาปกลับมาบ้างเดี๋ยวก็ไปที่น่นเดี๋ยวก็ไปที่นี่นไปไปม่ไมอยู่อย่างนั้นะทั้งปีทั้งชาติก็ดีบริษัทคอร์ร์ทอเรเขาจะขายน้ำมัน ฉนันเราจะต้องเฝ้าสังเกตดูตัวเองตัวเองเหมาะสมในที่ตรงไหนแล้วก็ทําสถานที่พักที่อาศัยพอเป็นไปในการทําสมาธิภาวนานแล้วก็เอาบัตรใจสี่ไม่ขัดเคืองจนเกินไปสัพยาสีก็เหมาะสมพอสมควรที่เราจะทําสมาธิภาวนานตามความจาเป็นของเราที่จะต้องทํา ที่จะต้องปฏิบัติเราอยู่ที่ไหนเราก็ตั้งใจปฏิบัติเราจะไปอยู่บนฟ้าบนอากาศที่ไหนแล้วก็เอาใจเรานี้เป็นส่วนที่ปฏิบัติเราก็ต้องมารู้กายรู้ใจของเรานี้ไปรู้เรื่องภายนอกไม่มีวันที่จะได้มรรคผลนิพพานจะพอเข้ามารู้เรื่องภายในใจของเราในกายของเราหนีจะได้มรรคผลนิพพานะ มันแตกต่างกันในการทำงานฉะนั้นการทำงานกันทุกวันอยู่มีแต่เรื่องเศร้าสลดใจแล้วจะยึดสถานที่ปฏิบัติตรงไหนแล้วก็ยึดตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติให้นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาจนเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมา แต่ถ้ า, ากเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาไปปฏิบัติมันก็ได้แค่นั้นหรือว่าไปบ้านนู้นเมืองนี้จะได้เป็นพระรย์หรืงไม่ใช่ไปก็ไปตั้งแต่ตาหนิพระเนรบ้างตำหนิไอ้นูบ้างตำหนิไอ้นี่บ้างโอวัตไม่มสมกับจรินิสัยตัวเองไปดกิเลสมันมีวันพอด้วยไม่มีวันพอ กิเลสมันเป็นค่าสึกกับธรรมธรรมนี่จะเป็นค่าสึกกับกิเลสถ้าเรายกเอาธรรมมาวินัยขึ้นมาแล้วกิเลสมันอีไม่ได้เราจะประพฤติปฏิบัติที่ไหนแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วจะอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่เนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นที่ยอมรับของผู้คนในถิ่นนั้นเค่น เร า, าตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติของเราเดินยมคมนั่งสมาธิภาวนาของเราจนเป็นที่ยอมรับของผู้คนในถิ่นนั้นหรือเป็นที่ยอมรับของพระนินทุกวันนี้มีแต่พวกสัมภเวสีเกี่ยวเล่ร่อนไป ไปถูกว่าที่นู่นก็ไปที่นู่นไปทูกว่าที่นี่ก็ไปที่นั่นไปแม่อยู่อย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติวันนีบริษัทพลทอเขามีกําไรปีนสองสามแสนล้านขอการเดินทางคุณ ม, มีความจําเป็นอะไรที่เราจะไปงานนั้นมันเกี่ยวข้องกับความจําเป็นอะไร มันต้องมีเหตุมีผลของมันถึงว่าคู้ปฏิบัตินั้นต้องอยู่ด้วยเหตุผลไม่ได้อยู่ด้วยอารมณ์ไม่ได้อยู่ด้วยความอยากอยู่หรือไม่ได้ไปด้วยความอยากไปไปในหลักการและเหตุผลนั้น ไปเกี่ยวข้องกับงานสังคมหรือไปเกี่ยวข้องกับอะไรแต่ว่าไปเกี่ยวข้องกับงานสังคมก็ต้องรู้จักประมาณของสังคมทำไมรู้จักประมาณของสังคมก็ไปท ะ, ปะเทลตะไรป่าทะเลเปิดเปิเปงไปปีเป็นทั้งปีชาติทัชาติกำหนดอายุชีวิตไปเปละาๆไม่ได้มีหลักมีแรงอะไร เราอยู่แบบมีหลักมีแหล่งจะไม่มีปัญหาะไรในภาคปฏิบัติพอไปที่ไหนก็คือกิเลสตัวเก่าเราชาระเราจะต้องชำระกิเลสตัวเก่านี้ไม่ใช่ว่าไปอยู่บ้านนูนเมืองนี้แล้วกิเลสมันจะเปลี่ยนใหม่ไปไม่ใช่ความทุกข์มันจะเปลี่ยนใหม่ไปนี่ก็ไม่ใช่อีกความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่ที่กายกับใจ ความทุกข์ไม่ได้อยู่ไปอยู่กับดินฟ้าอากาศที่ไหนเลยฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับการปฏิบัติถ้าไม่ทำความเข้าใจจริงๆก็จะกลายเป็นสัมภเวสีหาที่เกิดจะไม่มีที่ให้เกิดเพราะเอาแต่ทิฏีมานะไป ไปที่ไหนกับบำรุงตัง้งแต่เรื่องที่ผิดมานะอ า, า, าสวะกิเลสไปหากิเลสมันจะเห็นเรื่องแต่กิเลสไม่ได้เห็นธรรมฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจในหลักของภาคปฏิบัติจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ าหากไม่ศึกษาและไม่ทำความเข้าใจอย่างท่องแท้มิเตเจ่าท่ากี่เดียตลอดไปชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่ได้อะไรจังทั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพอกุทธศาสนาแสนจะยากแสนจะลำบากที่ว่าจิตฉังชีวิตตันชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่จะอยู่นี้ก็ยากแสนยาก จิตสังอันจิตโสอนุปาโดความเกิดขึ้นของผู้จั่งก็ไม่ใช่ของง่ายจิตสังธรรมสวนังการที่เราจะได้ฟังธรรมจากพระโอษของผู้จัง่งไม่ใช่ง่ายเลยจิตสังชีวิตตั้งความเป็นอยู่ของชีวิตอินทรีย์ของเรานี่ก็ไม่ใช่ง่ายมันอยู่คอยตั้งแต่จะตายอย่างเดียว ต้องคอยทะนุถนอบมบำรุงรักษามันอย่างดีเยี่ยมมันถึงจะอยู่กับเราได้เราจะอยู่กับมันได้าหากเราไม่บำรุงรักษาไม่จูนเจื่อมันมันก็ตายอย่างเดียวโดยที่ยังไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ว่าอยากจะปฏิบัติอยากแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติมันตายเสียก่อนจะส่วนมากก็ตายเสียก่อน ปฏิบัตินี้ยากทั้งๆที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยบอกว่าปฏิบัติยากไปเสียก่อนแล้วจะเดินยมกมจะนั่งสมาธิจะ ก, ก็ไม่มีเวลาจะเวลาตายทําไมมีเวลาเวลาจะไปตกนรกหมุกไม่ทําไมมีเวลาจะเวลาที่จะหาความดีใส่ตัวเองทําไมไม่มีมีแต่การมีแต่งานมีทั้งแต่อะไรตรงนี้อะไรเตรม็มไปหมดยุ่งเหยิงไปหมด ใ น, นวิชาของกิรลสมันเกิดเราไปหลงในวิชาของมันถ้าไม่หลงในวิชาของมันตามหน้าที่การงานของเราก็ทำไปแต่หน้าที่การทำสมาธิภาวนาเราก็ต้องทำทำได้ตลอดวันตลอดคืนใจของเรามีใครที่จะมารับรู้นอกจากตัวของเราที่จะรับรู้ตัวของเรา Ahem. <laughs>